ขอน้อมน้อมต่อพระรัตนตรัยกราบน้ำสการลมบุกลมผู้เป็นประธานแล้วก็บาเทลานุเทละพระเิกษุภธัตมิกแล้วก็ขอความเจริญในธรรมกับแมชีอุบาสกุบาสิกาก็เราได้มาเก็บอารมณ์มาปฏิบัติ เราก็ได้ความเพียรบางคนอาจจะข้ามนิวรความง่วงความหยุดหิดโุงซ่านความลังเลสงสัยเราอาจจะข้ามได้แล้วพอเราข้ามได้เราก็จะมีความขยันมันเพียรทํำยังไงเราจะรักษาสภาพสภาวะความขยันเนี่ยให้อยู่กับเราได้คือเมื่ อ, อไรที่เราเรา <c oughs> ความเพียรความอดทนมันน้อยอารมณ์ต่างๆ มันก็จะกลับมาสู่เหล่ายิ่งโดยเฉพาะผู้ที่มาผู้ที่กลับไปบ้านเนี่ยมันจะคล้อยตามอารมณ์เดิมๆกลับไปสู่ความา <c oughs> ไม่สู้เป็นอะไรขึ้นมาก็จะผ่านได้ยากเมื่อเรามาทำใหม่ ก, ก็เป็นอีกเนี่ยคือลักษณะอารมณ์เราก็จะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเรามาแล้ว <c oughs> ถ้าเราไม่เจริญเติ ต่อทำความเพียรต่อถ้าเราทำความเพียรต่อความเพียรก็จะมากขึ้นมากขึ้นอารมณ์ต่างๆที่มันเคยมีเคยเป็นมันก็เบาลงเบาลงโดยเฉพาะการปฏิบัติเนี่ย <c oughs> ที่ปีพศส 8, อ3 8อามามาไปเก็บอารมณ์ที่วัดป่าเขาคงคา4ี่สิบวันพอจบ4ี่สิบวันก็ขอจำพรรษาที่นั่นแล้วก็ขอเก็บอารมณ์สามเดือน มันจึงได้ได้เรียกว่ามันพอเรามีกำลังพอสติมีกำลังมีความเพียรมากแล้วเราก็ทำให้มากขึ้นมากขึ้นมันจะเห็นเห็นเห็นอะไรเห็นอารมณ์ต่างๆที่เป็นประสบการณ์ที่เรียกว่า <c oughs> เป็นเรื่องของอารมณ์กรรมฐานล้วนๆนะเราหลังจากที่เราข้ามนิวรณได้เนี่ยเรามันก็จะเปลี่ยนไปอีกสภาวะหนึ่งโดยเฉพาะที่เรามาปฏิบัติ ถ้าเรารู้เรื่องอารมณ์เห็นอารมณ์เนี่ยเราจะรู้รู้ละเอียดเนี่ยเราจะเรียงลําดับอารมณ์ได้ถ้าตัวกายานุปัสนามันชัดเนี่ยเราจะเรียงลําดับอารมณ์ได้ตั้งแต่เบื้องต้นมาเลยว่าอารมณ์เบื้องต้นที่เรามาพอเรามาเดินยงกลมมาทําความเพี่ยนนะอันไหนที่มันเกิดขึ้นก่อนแล้วทีนี้มันถ้าเราผ่านเราต้องผ่านเดินเราเห็นอาการที่มันผ่านที่มันจบ เช่นเรามาเดิอนอยองกกมปั๊บเนี่ยมันจะเรื่องอดีตอารมณ์อดีตนี่แหละมันมาก่อนเดินยองกกมจ น, นผ่านอารมณ์อดีตแล้วมันก็จะไปเรื่องอารมณ์ของอนาคตเรื่องอารมณ์อดีตนี่ไหลมาเทมายิ่งมีความทุกเนี่ยถ้ามันทุกใจเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งนี่นอนต้องผ่านนะถ้ามันไม่ผ่านแล้วมันก็จะติดอยู่อย่างนั้นแหละเดินยองกกมเมื like ่อไหร่ก like ็ต like ัวเรื่องความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเมื่อติดอยู่นั้น แต่พอผ่านแล้วปุ๊บทีนี้มันก็จะไปเป็นอารมณ์ดิดอารมณ์อนาคตตัวอารมณ์อนาคตนี่แหละมันมันก็จะคิดทำโน่นทนํานี่สร้างวัดอยากไปชวนคนนั้นคนนี้มาปฏิบัติอยากให้คนนั้นมาทําคนนี้มาทํามันเป็นอนาคตเราก็ต้องจบมันจบไม่ได้ให้หยุดให้ได้พอหยุดได้มันก็ผ่านมาอยู่ถึงจะได้มาอยู่ปัจจุบันตัวรู้ซื่อเนี่ พอมารู้เสื่อๆเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปอีกมันก็จะมีอารมณ์อะไรคือต่อมาจากที่มาเพาันได้อารมณ์เสื่อๆเนี่ยมันก็มันเทศมันสอนวิภาควิจารแหละทีนี้เดินจงกลมไม่มีอะไรมีแต่อยากเทศอยากสอนอยากอืเรื่องเทศเรื่องสอนแหละแล้วมันก็ต้องเป็นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มีโดยเฉพาะถ้าเราทําไม่ชัดเนี่ยเราอุปนิสยัยจิตใจอะไรเก่าๆเนี่ยก็ต้องพยายามพยายาม เรียกว่ามีสติไปกำหนดรู้สิ่งที่เราเคยทำสิ่งที่เราเคยเป็นน่ะเราก็ต้องเอาสติไปกำหนดรู้อย่าไปทำตามอย่าไปให้มันเป็นเหมือนเดิมทิ่งเราเคยมีเคยเป็นน่ะเราตัวเ ร, เรารู้เองยังอาตมานี่ตอนที่เดินยงกลมทำความเพียรตอนมันจะเห็นความคิดน่ะตอนที่เสมาทวมพิมพ์จะแสดงให้เห็ น, นวันนั้นมีมันจะปวดหัวพอมันจะปวดหัวเนี่ย มันก็เห็นนะเวลามันจะปวดหัวมันเหมือนกับมีอะไรแหลมๆแทงเข้ามาจี๊จดเข้ามาอ๋อจะปวดหัวแล้วเรารู้ตันทดี่วอ๋อจะปวดหัวเลรอเอาแน่จริงปวดดิเอาปวดเลยปวดเลยเออก็ บ, บอกมันให้มันปวดพอเรามาอยู่กับความรู้สึกตัวเราดูดีดูมันจริงๆเนี่ยความอาการปวดนั้นก็ถอยออกถอยออกพอเรากลับมาอยู่เหมือนเดิมมันก็ค่อยๆแทงเข้ามาจี๊ดเข้ามาเอาแทางเข้ามาเอาจะปวดแล้วเอาแน่จริงปวดเลยปวดเลย พอเรากลับมาอยู่ความรู้ตึกมันก็ถอยออกพอเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บนึ่งแล้วทีนี้ก็เดินไปเดินมาก็เห็นอาการที่มันคิดแต่ความที่เรามีอยู่เป็ น, ในใสายเป็นคนที่เรียกว่าชอบเป็นคนที้เล่นชอบสนุกสนานพอเดินยงกลมนี่มันไม่มีปัญญาที่จะมองมองลักษณะของของอ า, อาการที่เราทำอยู่เออเราเดินยงกลมหนิวัยคิดก็ได มีความรู้สึกตัวก็ได้โอ้ดีเว้ยดีเว้ยมันกลายเป็นว่าไปไปคือนิสัยเก่าๆมันทําให้ไปคิดอย่างนั้นถ้ามันเป็นปัญญามันจะบอกโอ้ยนี่มันความคิดนี่เอาออกไปไม่ต้องเอามันจะเดินทั้งรู้สึกรู้คิดมันจะเจริญได้ยังไงมันจะดีได้ยังไงนี่มันปัญญาไม่ได้เป็นแบบนั้นก็เนื่องจากว่าอุบัติไสยเก่าๆมันก็เลยคิดว่ามันก็เลยเป็นว่า โอ้มันต้งเดินทั้งคิดก็ได้ว่าโอ้ดีไว้ตัวอยากมีมีทั้งมีทั้งติมีทั้ท ง, ทงความคิดก็เดินอยู่อย่างนั้นมันก็เลยเคยชินเวลาทำอะไรเวลาเราเดินโยงกลมทำกลมเพียนมันติดเป็นนิสัยมันติดเป็นนิสัยจะให้มันมารู้สึกตัวลว้ล ว, ลวนๆนี่มันรู้สึกตัวอย่างเดียวนี่ยากเพราะเพราะอุบนิสัยเก่าๆมันติดมันก็เลยเรียกว่ามันก็เลยไม่ชัดเจนในเรื่องของสติ ตรงนี้แหละเรื่องมันเมื่อมันไม่ชัดเจนเรื่องสติเรื่องสภาวะอารมณ์มันจึงไม่รู้ละเอียดนะแต่ว่ากาอาศัยการที่ทําความเพียรมากๆนะอาศัยทําความเพียรมากอาศัยทําทําเรียกว่าเพียรชนิดที่ว่าอ่าหนักๆคือไม่กลุกหนักๆชนิดว่าไม่กลัวไม่กลัวเรื่องเรื่องความเจ็บความปวดนี่ไม่กลัวเดินยองกลมจนขาบวมเดินสองชั่วโมงสมชั่วโมง ขาบวมเยอแล้วไหวบวมนี่ก็ไปตักน้ํามาเอาขาแช่น้ําำนั่งยกมือนั่งได้ยกมือไปสักชั่วโมงสองชั่วโมงอา้าวหายแล้วไอ้ที่อาการปวดหายแล้วไปเดินต่ออีกเดินต่ออีกแล้วก็พอมันปวดอีกกับมานั่งแช่น้ำอีกแล้วมานั่งยกมือทําอยู่อย่างนี้หลายหลายครั้งหลายหนนะไม่ใช่แค่ครั้งหนึ่งสองคือครั้งตอนเย็นมานี่ ยกขาแทบไม่ขึ้นจะขึ้นเตียงนอนเนี่ยโอ้ยขาบวมอย่างหนักเลยแต่มองเห็นตรงไหนตรงที่ว่าเอพอตอนเช้ามาธรรมยาการต่างๆเหล่านะั้นมันหายเป็นปกติก็มาทำความเปียนได้อีกอตอนที่เราทำความเพลี่ยนจบใหม่ๆมันปวดมันบวมนลยอันนี้แหละจึงได้เห็นว่าโอ้พอถ้าเลามันมีสติมันหายได้มันจบไ ด, ด้จึงไม่กลัวว่าว่ามันจะเป็นอะไรก็จึงไม่กลัวมัน ทำได้ถ้ามีสติแล้วมันจะมันจะเป็นปกติได้ตรงเนี้ยก็เรียกว่าเมื่อเรามีกายานุปนัสสนานี่เราเอามาใช้กำหนดรู้เวทนามันเป็นหลักการที่พระพุทธเจ้าได้กล่าวเอาไว้ว่ากายานุปัสสนาคือเห็นกายในกายเวทนานุปัสสนาคือเห็นเวทนาในเวทนาเห็นเวทนาเนี่ถ้าเราเจ็บระปวดเราไปนั่งไปหยุดมันไม่เห็นหรอก เขาเรียกว่าเราทําตามอารมณ์เก่าๆถ้าเวทนาเกิดขึ้นเรามีสติกําหนดไปไปวมาปวดแล้วเราไม่สนใจเรื่องความเจ็บความปวดไม่เราไม่สนใจเรื่อ ง, อ, งอ่าที่มันเป็นอยู่เรามาสนใจเรื่องสติให้มันต่อเนื่องเท้าแต่ละก้าวทีก้าวให้มันรู้ต่อเนื่องรู้ ร, ร, รูพอมันจับสติได้อาการเวทนาต่างๆที่มันเป็นมันหายได้มันจบได้ตรงนี้เราจึงเห็นเห็นนี่มันเห็นธรรมดานะ แต่ที่มันเป็นสภาวะที่มันจะแจกแจงแยกแยะเนี่ยพอทําอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆเนี่ยเมื่อถึงคราวที่เออ่มันจะเห็นสภาวะเนี่ยขณะที่เดินอยู่เนี่ยเอ็นร้อยหวายมันมันเจ็บมันปวดอยู่สองข้างนะเดินเดินเดินเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาปุ๊บเนี่ยพอมันจะเห็นปุ๊บเน่ยมันแยกแยกออกระหว่างกายกับจิตคือไอ้ที่มันเจ็บมันเป็นเนี่ยมันอันนึงเนี่ ไอตัวจิตถ้ามันแยกออกมาได้เนี่ยมันจะเห็นนี่คืออาการของการเห็นรูปนามเมื่อถ้าจิตแยกออกบากอาการของกายได้เนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนไม่เจ็บไม่เปลี่ยนแม้เราล่างกายเราเป็นอยู่แต่จิตมันไม่ไปยึดไม่ไปดูความทุกข์ก็จะไม่เกิดเนี่ยลักษณะตรงอย่า ง, างนี้แหละเรียกว่าอาการของรูปของนาม เราไม่ใช่มาเราไม่ใช่มาบอกว่าเนี่ยกายเนี่ยเป็นรูปใจเน่ยเป็นน้ำอันเนี้ยเป็นคําพูดแต่สภาวะที่เราเข้าไปเห็นเนี่ยเราต้องทํามันถึงจะเห็นมันถึงจะเห็นเห็นอยานี้เห็นพอเห็นเวทนาปุเห็นแล้วเห็นดีเห็นเวทนาเห็นบ่อยๆเป็นบ่อยๆเห็นเห็นบ่อยๆเป็นบ่อยๆมันมีหลายๆอย่างที่เวทนาที่มันเกิดเกิดกับเราเนี่ยเช่น เกิดจากตาก็ดีเกิดจากหูการได้ยินได้ฟังนการได้ยินได้ฟังการได้ลิ้มรสเนี่ยมันเป็นเวทนาทั้งนั้นที่มันเห็นคือได้ยินเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ไปบินทบาทกลับมาพอเดินเข้าไปบินทบารในบ้านเนี่ยเขาเปิดเพลง เ, เพลงพรศัก มันมีอยู่เพียงเสือขาดจงปองยังแบงตามหาน้องแดงจนทั่วอีสานเนี่ยพอไปฟังมาแค่นั้นแหละมานั่งฉันข้าวนี่โอ้ยมันร้องอยู่ในใจอ้าวมันมันเราไม่เอาออกอยังไงก็ไม่ออกหูแค่ไปรับมาเนี่ยมานั่งกินข้าวอยู่นี่มันก็ร้องวนไปวนมาร้องวนโอ้ยไอ้นี่เนี่ยเราไปรับออกไม่ได้ต้องจนกินข้าวเสร็จไปเดินจงกรมทํำความเพียรมันถึงจบได้เนี่ยคือพอเรารับมาเราไม่รู้ว่าว่า จิตเราไปรับอันเนี้ยผมมันก็ทำให้เกิดทุกข์นะทามีสภาวะอย่างเนี้ยสิ่งเราก็จะเห็นว่าโอ้แม้แต่ความพอใจนี่มันก็ทำให้เราเกิดทุกข์ได้ตรงเนี้แล้วที่หลังๆมาเนี่ยพอไปเดีวโทรทัศน์พอไปฟังเพลงฟังอะไรเนี่ยทุกทันทีเห็นทันทีว่าโอ้เนี่ยความพอใจมันเป็นทุกข์นอันเนี้ยสภาวะนะมันเกิดจากสภาวะไม่ใช่ว่า เห็นทุกรู้ทุกอันนี้มันเป็นการพูดพูดเอาแต่ตัวที่จะเห็นดภาวะจริงๆเนี่ยเราต้องไปทําเอาเราถึงจะเข้าใจเราถึงจะเห็นเมื่อเห็นแล้วเนี่ยเราจะห้ามตัวเองได้เราจะห้ามให้ไม่ไม่ไปเสพตัวสิ่งต่างๆที่เราเราเป็นเราพอใจเราไม่พอใจเราไม่ต้องไปพูดถึงความไม่พอใจเพราะไม่พอใจเนี่แป๊บเดียวเองอาการไหนหยาบหยาบเนี่ยเราเรียนรู้ซะ ก, ก่อนนะโดย <c oughs> การกระทาก็เหมือนกันอาการไหนหยาบหยาบเช่นการเดินโยงโกลมเนี่ยมันหยาบหยาบกว่ายกมือนะมาทำความรู้สึกตัวเนี่ยตัวเดินเดินตัวเดินเนี่ยอาการที่หยาบมันมีน้ำหนักทำตัวหยาบหยาบให้มันได้ต่อเนื่องซะก่อนแล้วตัวยกมือเนี่ยมันก็จะละเอียดขึ้นครั้งหนึง่งแล้วการที่เราใช้อิรยาบทย่อยเนี่ยมันก็ละเอียดขึ้นอีกระดับหนึง่ง ถ้าเราทำอาการหยาบๆได้ดีเนี่ยเราถึงจะค่อยๆเลื่อนขั้นขึ้นไปดูอีระบบทละเอียดะนะถ้าถ้าเราเดินจงกรมเราทำความเพียรยังรู้สึกต่อเ น, นื่องไม่ได้เนี่ยแสดงว่าเรายังยังไม่ละเอียดขึ้นแล้วเราจะไปดูจิตก็ดูไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะดูได้มันก็หลงอย่างเช่นว่าเราจะไปดูจิตเนี่ยฉะนั้นกายานุปัสสนาเนี่ยมันจึงเป็นฐาน ความรู้สึกตัวเนี่ยตัวกายานุปัสนาเนี่ยเราทํามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันจะเรียกว่า <c oughs> มันจะค่อยๆชัดขึ้นทุกส่วนของกายนะบางคนนี่ชัดตั้งแต่ข้างล่างขึ้นมาขึ้นมาจ น, นหมดตัวเนี่ยชัดเจนดู่นะเนี่ยก็มีโยมอยู่คนหนึ่งที่ทําอยู่เนี่ยเริ่มจะได้แล้วได้กายานุปัสนาเขามาถามว่าผมเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันจะเป็นยังไงเออนั่นแหละถูกแล้วทําตัวนี้ให้ดีอย่าไปสนใจอ ย, อย่างอื่น ทำกายานุปัสสนาเนี่ยให้มันดีเพราะตัวกายานุปัสสนามันจะเป็นกําลังของกรรมฐานมันจะเป็นกําลังที่ทำให้ผ่านอารมณ์ทุกชนิดถ้ามีความรู้สึกต่อเนื่องตัวความง่วงมันก็เบาอันนี้เขาเห็นแม้กระทั่งความง่วงจะเข้ามา เ, เอ้ยนี่ความง่วงจะเข้ามาแล้ว พอว่าเขามโมโจะเข้ามาแล้วน่ยดูแค่นั้นแหละแค่ดูดูความโมโห่มันถอยออกถอยออกถอยออกมันไม่ขึ้นเลยความโมโห่จะไม่ขึ้นแล้วอาการอีกลหลายๆอย่างแล้วปวดแข่งปวดขาเนี่ยพอปวดแฉ้งปวดขาผมก็เดินกับมันพอมีสติปุ๊บมันหายได้ไปได้ยังไงเนี่ยเขาพูดเออถูกแล้วอย่างงั้นแหละถูกแล้วถ้าเราทําอย่างงั้นถูกเลย <c oughs> เขาก็บอกว่านี่นั่นล่ะโยมแล้วอีกอย่างหนึ่งเมื่อ เมื่อตัวสติเมื่อความรู้สึกตัวมันชัดเนี่ยผู้ที่จะสอนเราคือเราเองนะตัวเราเนี่ยเมื่อสติมันถึงพร้อมแล้วมันเต็มที่แล้วเนี่ยมันจะมีผู้บอกกับผู้ถามอยู่ในใจเราผู้ตอบกับผู้ถามอยู่ในใจเราเนี่ยมันจะบอกนี่เขาก็เป็นเขาเป็นลักษณะนี้มันใช่ไหมจ๊ะใช่นั่นแหละถูกแล้วมันทำไมมันถามมันตอบเอาก็ตัวปัญญา มันคือตัวปัญญาแต่ว่าบางกระปินมีปัญญาเฉโกอยู่ด้วยตัวตัวตัวนึงเป็นตัวปัญญาของบัณฑิตอีกอันนึงเป็นปัญญาของคนผานคนผานจะสอนให้ขี้เกียจบัณฑิตจะสอนให้ขยันทําในสิ่งที่ถูกต้องแต่ตัวผานมันจะพาไปทําในทางที่ผิดเนี่ยลักษณะของของเมื่อสัญญ า, านุปัสนาชัดเนี่ยมันจะมีตัวนี้ฉะนั้นหลวงพ่อกั น, นจันยึงบอกว่าอ่า เรานั่นแหละเป็นผู้สอนเราเองนะปัญญาตัวเนี้ยมันจะสอนเราเองให้ทําไปก่อนให้ทําความเพียรให้มากๆเดินยงกลมเจริญจติตให้มากๆยิ่งได้เก็บอารมณ์ผ่านมาสี่สิบอ่าสามสิบวันสี่สิบวันนี่มันมันผ่านอารมณ์ได้หลายๆอย่างแล้วผ่านความง่วง <c oughs> ผ่านความง่วงผ่านความลังเลสงสัยความเบื่อความเสงียมโดยเฉพาะนิวรณนเนี่ยต้องผ่านให้ได้ ลังเลสงสัยง่วงเหงาห้านอนอ่าแล้วก็อิจฉ้าพยาบาทแล้วก็ห่วงเหงาเศร้าซึมเนี่ยเป็นได้ทุกอย่างนะเวลาเราปฏิบัติทำเนี่ยเป็นเป็นได้ทุกอย่างเราทํายังไงถึงก็สลัดออกจากอันนั้นได้เอาความรู้สึกตัวเนี่ยใบกําหนดตัวใบไม่อยู่ตัวของวิร้อนสึกตัวเนี่ยไม่ต้องไปดูอาการน่นหรอกอาการต่างๆที่เป็นเนี่ย เราไม่ต้องไปว่าไปดูหรอกเรามาดูตัวรู้สึกเนี่ยกำหนดตัวรู้สึกอย่างเดียวก้าวทุกก้าวรู้ก็ทุกก้าวทุกก้าวทุกก้าวเนี่ยสิ่งเหล่านั้นก็จะหลุดไปเองหายไปเองเรียกว่ามันเป็นสภาวะที่ที่ที่ถ้าหากว่ามันจะแสดงออกให้เรารู้มันก็จะแสดงแต่ถ้ามันไม่รู้มันก็หายไปเฉยๆความง่วงนี่ก็เหมือนกันนะ ความง่วงนี่ความความง่วงหรือความเบือ่อความเสงียงนี่ยเหมือนกันแต่ถ้าหากว่ากายานุปัสนามันดีมันดีแล้วเนี่ยมันจะบอกทุกอย่างมันจะอธิบายมันแจกแจงทุกอย่างนะที่เราเป็นเรามีเนี่ยมันจะบอกว่าสาเหตุเนี่ยมันมาจากอะไรมันเกิดจากอะไรฉะนั้นตัวกายานุปัสนาน่ยจึงเป็นฐานฐานของความรู้ยิ่งเรารู้มีกายานุปัสนาละเอียดได้มากเท่าไหร่เนี่ย ตัวทติปัญญามันก็ยิ่งแจกแจงแยกแยะ บ, บอกเราได้ละเอียดมากเท่านั้นฉะาานั้นหลวงพ่อยังบอกว่าเอาเนี่ยทำกายานุบัติสนานี่แหละเอาความรู้สึกตัวเสื่อเสื่อเฉยๆเนี่ยทำให้มันดีทำให้มันมากซะก่อนแล้วอย่างอื่นผลมันจะเป็นผลของมุตา ม, มาเองอันอื่นเป็นผลทางนั้นนะโยมเหตุคือ ต, ตัวตัวที่เราเดินจงกรมเราตัวที่เรายกมืออยู่เนี่ย เรารู้ต่อเนื่องดีไหมเราทํามากไหมคือถ้าทัติมันทําไม่ต่อเนื่องก็ทําไม่มากทาไม่มากแล้วมันจะเป็นมันจะมีน้ําหนักตัวความรู้สึกตัวมันจะมีมน้ําหนักถ้าทํามากนะ <c oughs> แล้วความถ้ายิ่งได้ามากด้วยต่อเนื่องด้วยเนี่ยตัวพออะไรเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยเรามายกมือแรงๆเรามาก้าวเท้าแรงๆมันจบ จบได้เร็วสิ่งที่เป็นอยู่จะจบได้ง่ายเราก็เดินทางได้ง่ายได้สะดวกแล้วฉะนั้นมันอยู่ที่การกระทำของเรานะไม่ได้อยู่ที่ว่าปฏิบัตินานหรือปฏิบัติใหม่ไม่อยู่ที่ความใหม่ความเก่ามันอยู่ที่ใครทำเจริญสติได้ต่อเนื่องได้ไ ด, ได้ได้ง่ายกว่ากันคนใหม่คนเก่าไม่ไม่ใช่เรื่องสำคัญการเวลาไม่ใช่เรื่องสาคัญเรื่องสาคัญคือ ตัวใครก็แล้วแต่ถ้าหากว่ามาทำกายานุปัฏฐนาได้เร็วเนี่ยก็จะไปได้เร็วการเดินทางก็จะเร็วขึ้นการเดินทางเรื่องการจเจริญภาวนาน่ก็จะเร็วขึ้นแล้วจะเห็นอาการของกายของใจได้ได้ชัดเจนมากกว่าคนที่ใช้เวลานานๆอันตมานี่ใช้เวลานา น, านมันจึงไม่ละเอียดในเรื่องของสภาวะอารมณ์แต่ก็อ่า แต่ก็ทำทีนี้เมื่อเราทำเน่ยเราทำในหมู่ในมิตรที่มีความเพียรเหมือนกันเนี่มันก็ยิ่งเพิ่มนะโยมมันก็ยิ่งเพิ่มความเพียนความอดทนให้เรามากท่านั้นสิ่งที่เราสวดว่ากัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพลมจันทร์นี่โอ้จะมาได้ตรงนี้เลยถ้าไม่มีมิตรไม่มีหมู่ไม่มีมิตรถ้าไปปฏิบัติเองนี่ยังไงก็ไปไม่รอดนะโดยเฉพาะพอพ อ, พอปฏิบัติได้ อารมณ์ใหม่ๆเนี่ยทำความเพียรเร่งความเพียรอยากสุดๆมันจึงได้สัมผัสเมื่อได้สัมผัสก็ยิ่งยิ่งเห็นยิ่งรู้ยิ่งอยากทํายิ่งมีปีติยิ่งมีความเพียรยิ่งมีความอดทนนะอารมณ์ปฏิบัติเนี่ยิย่งเรามีสติมากเข้าไหร่ความเพียรไหลเข้ามาไหลเข้ามาไหเข้ามาปีติมันเกิดเราแค่พอปีติมันเกิดเนี่ยการที่มีปีตินะ เราอย่าไปคิดว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่โอ้ทําไมเราต้องน้ําตาไหลทําไมเราเกิดอาการอย่างนี้นั่นละ่ะมันเป็นกําลังของกรรมฐานนะถ้าไม่มีปีตินี่เราก็ไปไม่ได้เหมือนกันนะตัวปีติก็เป็นกําลังของของวิปัสสนาเหมือนกันตัวนี้ปีติยิ่งเราฟังธรรมะของหลวงพว่อคาเขียนก็ดีของอาจารย์ใบสานใครก็ดียิ่งเราฟังแล้วเราเกิดปีติน้ําตาเราไหลเนี่ย นั่นแหละมันเป็นกำลังทำให้เราอยากทำอยาก เ, ออเกิดไม่ใช่ของไม่ดีมันจะเป็นตลอดเป็นอยู่จนกระทั่งว่าเรามีสติมากำหนดดูตัวเองได้กำหนดตัวเองว่าเราเกิดปีติได้ตัวปีติก็ไม่ใช่สิ่งที่เราจะเอานะแต่มันก็เป็นกำลังของกรรมฐานนะเรากำหนดรู้มันให้ปีติมันจบได้ไหแต่มันไม่ได้หรอก เพราะว่าอะไรมันเป็นกําลังของของอวิปัสสนาเราก็อย่าไปคิดว่ามันไม่ใช่มันไม่ถูกมันไม่ใช่ น, ะนั่นละ่ะดีแล้วเพราะอะไรเพราะเมื่อเราปฏิบัติได้เราเรียกว่าเราได้สภาวะอารมณ์ที่ที่ดีที่ถูกต้องแล้วละ่ะโดยเฉพาะให้เห็นอะไรเราแก้ไขทุกอย่างที่เราเดิน่จงกรมแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยให้แก้ไขบ่อยๆให้มันผ่านมันเป็นอะไรเรา มีสติกำหนดรู้กำหนดรู้คือไม่ทำตามเขาไม่คิดตามเขาไม่ทำตามเขาเมื่อเราห้ามตรงนี้บ่อยๆหยุดเรามีสติกำหนดรู้บ่อยเข้าบ่อยเข้าเนี่ยเราก็จะชำนิชำนาญในการการดูสภาวะสภาวะในแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยถ้าเราแก้วันหนึ่งได้สี่ห้าเรื่องหรือได้สิบเรื่องโอ้มันก็ค่อยๆเรียกว่ามันได้ค่อยพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นเห็นอะไรเข้ามามันก็จะ ผักออกผักออกผักออกเป็นความรู้สึกตัวได้ง่ายได้เร็วเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเราเราเกิดอะไรขึ้นเราไม่ยอมเราก็ไปทําตามเขาเนี่เราก็จะเป็นอยู่อย่างนั้นพอเจออะไรนิดอะไรหน่อยเราก็หยุดเราก็เลิกเราก็ไม่ทํามันก็ติดอยู่อย่างนั้นเหมือนกันเนาะดังนั้นเรากลับไปบ้านนี่คนที่มาปฏิบัติเนี่ยกลับไปบ้านเนี่ยระวังมันจะคืนสภาวะเดิม ความเพียรก็จะน้อยลงอะไรของเก่าๆเมันก็ไหลเข้ามาทับถมเราเหมือนเดิมทีนี้ละ่ะพอพอพอมันไปอยู่สภาว่าเดิมมันจะกลับขึ้นมาเนี่ ย, ยากจะกลับมาให้ได้เหมือนเดิมนี่โอ้ยากกว่าเก่าเยอความว่วงก็นักกว่าเก่าความเบือ่อความเซ็งอะไรนี่ก็หนักกว่าเก่าถ้าเราไม่ทำความเพียรไว้สม่ำเสมอกลับไปบ้านต้องมัน เรินสติบ่อยๆทำความเพียรบ่อยๆทำตอนเช้าตอนนี้โดยเฉพาะตอนนอนกับตื่นเนี่ยเรามีเวลามากเลยแต่ประกอบไปบ้านอย่าไปคิดว่ามันไม่มีเวลานะเรานอนสี่ทุ่มหทุ่มก็ได้ถ้านอนด้วยความมีสติเนี่ยเดินยงกลมทำความเพียร3าชั่วโมง4ี่ชั่วโมงหรงชั่วโมงเป็นอย่างน้อยเนี่ยเรามีสติต่อเนื่องดีๆเนี่ยนอน ตื่นขึ้นมามันจะสดชื่นทันทีแหละมันไม่มีหรอกจะไปง่วงเหงาห้านอนเนี่ยถ้าเราเดินโยงกลมจเจริญตติให้มีความรู้สึกต่อนึ่งแต่อย่าไปแต่ถ้ามันยังคิดอยู่มันวุ่นวายอยู่อย่าไปนอนมันจะนอนไม่หลับเวลาเวลาที่เราจะนอนเนี่ยถ้าเรานอนเราวุ่นวายเราคิดเราเดินโยงกลมอยู่เราคิดเราวุ่นวายอยู่พอยนอนปุ๊บเนี่ยมันจะนอนไม่หลับมันจะเอาไปคิดต่อแล้วมันจะฝันตื่นตอนตื่นมันก็จะเมื่อย มันไม่อยากลุกไม่อยากตื่นก็เป็นลักษณะนี้คือถ้าเราเห็นอย่างนี้ปุบ๊บเลยเราเราก็ต้องแก้ไขแล้วตื่นขึ้นมาก็เหมือนกันถ้าหากเราตื่นมาขึ้นมาตอนเช้าอยู่ที่บ้านถ้ามันผ่องใสเราก็ยกเบื่อจเจริญสติซะก่อนทำความเพียรสักสอชั่วโมงสามชั่วโมงก่อนแล้วแล้วถึงออกไปทำงานวันนั้นก็จะมีแต่ความสดชื่นผ่องใสไม่ติดขัดในเรื่องของอ า, อารมณ์นะเนี่ย สังเกตอย่างนี้แล้วเราจะเห็นได้ว่าตัวตัวกายานุปัสนาเนี่ยมันมีคุณมีค่าอย่างนี้ในการนอนก็ดีการทำงานอะไรก็ดีเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับเราอย่างนี้นะถ้าเราฝึกเราหัดแล้วเนี่ยเรามาอยู่ที่วัดหัดแค่อยู่ที่วัดแล้วกลับไปบ้านไม่ทำมันก็ไม่ได้สานต่อไม่ได้ทำต่อเราก็จะไม่เห็นประโยชน์ไม่เห็นประโยชน์ตรงที่ว่า เราใช้ชีวิตแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยถ้าเราจเจริญจิ ต, ตีก่อนออกจากบ้านเราจะผ่องใสการงานอะไรก็ชกพองจะลุ่ล่วงไปด้วยดีเพราะอะไรเพรา ะ, ะความปร่งความร่วงความสบายนีย่มันจะเกิดการในแปัญญาในการทํางานในการดําเนินชีวิตก่อนนอนก็ทําความเพียนตื่นนอนก็ทําความเพียนเราก็จะได้รับผลประโยชน์จากการที่เรามือฝึกมหาหัด จากการที่เรามาเก็บอารมณ์เนี่ยนั่นแหละคือเอาไปทําเราไปนั่นต่ออย่าไปทิ้งชีวิตเรามีคุณมีค่าถ้าเราทิ้งเราก็จะโดนโดนโดนอารมณ์ทับถมว่างหงุดหงิดหดหูเบือ่อเซ็งเข้ามาตลอดเวลาอย่าลืมว่าผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเวลามันเกิดอารมณ์อะไรขึ้นมามันแรงนะมันแรงกว่าคนที่ไม่ปฏิบัติอีกคนไม่ปฏิบัติเนี่ยแต่ก่อนเขาง่วงเขาก็ง่วงธรรมดานะ แต่คนปฏิบัติเนี่ยเวลามันง่วงมันง่วงหนักนะมันเป็นอารมณ์ที่แสดงออกให้เราเราเกิดทุกข์มันต้องแสดงอารมณ์ต่างๆมันแสดงให้เราจนเกิดทุกข์จนเราอยากออกจากทุกข์ล่ะนั่นแหละคือนักปฏิบัติเนี่เป็นอะไรก็จะเป็นมากกว่ากว่าคนไม่ได้ปฏิบัติโกรธก็โกรธมากกว่านะถ้าเวลามันกระทบโดนขึ้นจริงๆโกรธมากกว่าเดิมถ้าเรายังไม่ความโกรธยังไม่หมด เวลามันกระทบนะ่นั่นคือถ้าเรายังสติยังน้อยอยู่นะแต่ว่าสติมากมันก็จบได้เร็วถ้าเรามีสติมีความรู้สึกมากมันก็จบได้เร็วเหมือนกันแต่ถ้าเรายังสติน้อยนี่เป็นอะไรก็มันจะเป็นแรงๆนะแต่เราก็กลับมามีสติกลับมามีสติฝึกแล้วฝึกอีกทำแล้วทำอีกมันก็ค่อยๆจากค่อยๆลยอุเิสัาจิตใจเราค่อยๆจบได้เหมือนกันเบาบางได้เหมือนกันถึงแม้ไม่จบมันก็เบาบาง ถ้าเราทำบ่อยๆทําทุกวันทุกวันอันนี้ก็เรียกว่าพูดสู่ฟังโยมเนาะก็หวังว่ากา็เมื่อมาปฏิบัติแล้วก็ได้นำไปนาไปสานต่อสร้างคุณค่าของความมีสติให้มากขึ้นมากขึ้นเราจะได้ปลอดภัยจากความทุกข์ใช้ชีวิตอย่างปกติเนา ะ, ะก็ขอโมตนากับทุกท่านที่ได้มาสร้างมาทรมาปลูก ฝังอุปนิสัยจิตใจในทางที่ดีงามขอให้ได้พบได้เห็นสิ่งที่มุ่งหวังปรารถนาทุกท่านทุกคนเดิน